คือแก้กันที่ลักษณะการคิดอย่างเดียว 2. ขณะคิดเรื่องใดสำรวจดูว่ากำลังเครียดหรือไม่คือมีความรู้สึกแข็งๆอยู่ในหัวคิ้วขมวดหน้าผากตึงอึดอัดอยู่ในอกมือเกรงเท้างออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดรวมกันหรือเปล่าถ้ามีอยู่ขอให้หยุดคิดชั่วคราว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 คุณทำตัวเองให้เครียดไปโดยเปล่าประโยชน์แท้เพราะเราจะทำงานหรือแบกรับปัญหาได้ดีที่สุดขณะกายกับใจมีความสงบนิ่งปลอดโปร่งเหมือนเตรียมถนนว่างๆให้พรักพร้อมรับกับการแล่นฉิวของกระบวนความคิดนับสิบนับร้อยระลอกเพื่อเป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นที่สามารถทดลองทำได้ขณะกำลังฟังเสียงนี้อยู่ ขอให้ลองทำตามเป็นข้อๆดังนี้ข้อ1นสังเกตนิสัยทางการฟังข้อความของตัวเองว่ามีอาการเพ่งหรืออาการรู้สบายสบายถ้าเพ่งจะฟังข้อความได้สั้นๆแต่ถ้ารู้สบายบายหัวคิ้วไม่ขมวดหน้าผากผ่อนคลายหลังตั้งคอตรงคุณจะฟังข้อความได้นานขึ้น หากรู้ตัวว่ามีนิสัยทางการฟังแบบเพ่งแรกแรกให้สังเกตอาการเกรงตัวและให้ทราบว่านั่นเป็นเครื่องสะท้อนว่าใจกำลังเพ่งหนักโดยไม่จำเป็นขอให้หยุดเนี่ยหูฟังเพื่อสังเกตความแข็งขืนเพียงสองสามวินาทีจะรู้สึกว่างโล่งขึ้นนิดหนึ่งให้จำภาวะนั้นไว้ใช้ฟังข้อความต่อไปติดความเครียดอีก ก็หยุดเงี่ยหูฟังอีกทําบ่อยๆจะค่อยๆกลายเป็นนิสัยใหม่ถาวรแต่อาจไม่ใช่ในช่วข้ามคืนหรือข้ามอาทิตย์นิสัยการฟังแบบสบายอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและทำได้ทันทีเพราะวินาทีนี้เองคุณก็กำลังฟังอยู่ข้อสองเดินไปในที่ที่มีต้นไม้ใบหญ้าและอากาศที่ปลอดโปรง่ง หากเป็นเวลาที่ฟ้าใสาด้วยจะเหมาะมากถ้าเดินเท้าเปล่าเหยียบพื้นหญานุ่มได้ยิ่งดีใหญ่แล้วสังเกตว่าขนาดตามองดอกไม้ขณะที่หูฟังเสียงนกร้องขณะที่ฝ่าเท้ารับสัมผัสใบหญ้าใจคุณกำลังคิดถึงอะไรหากไม่เกี่ยวกับดอกไม้ที่ตาเห็นไม่เกี่ยวกับเสียงนกที่ได้ยินไม่เกี่ยวกับใบหญ้าที่สัมผัส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 แล้วว่าคุณว่างจากความเครียดก่อนคิดแล้วข้อ1รู้สึกผ่อนคลายขณะกำลังคิดเหมือนยิ่งคิดยิ่งมีสติรู้ชัดข้อ2คิดเรื่องใดเสร็จแต่รู้สึกว่าโล่งอกงานจบไม่ตกค้างข้อ3เมื่อตั้งใจพักผ่อน รู้สึกปลอดโปร่งสบายยิ่งข้อ4แม้นี้เรื่องหนักหนาให้คิดก็มีสีหน้าผ่อนคลายสบายทั้งตัวข้อ5ใจเย็นรอผลสมเหตุตามควรแก่เวลาและใช้กำลังในการคิดนิดเดียวแต่ได้เหตุได้ผลสมบูรณ์แบบ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 เพราะความเครียดไม่ใช่ตัวคุณและตัวคุณไม่ใช่ความเครียดสรุปบทนี้พูดถึงปัญหาใหญ่หลวงของคนยุค ป, ปัจจุบันคือโรคเครียดที่ความจริงแล้วแก้ได้ง่ายนิดเดียวไม่จำเป็นต้องไปเข้าคอสอบรมหรือขอยาจากไหนเลยแค่คิดให้เป็นคิดจากอาการสบายให้คล่องเท่านั้น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 ที่เป็นต่างหากจากใจอย่างเช่นกระแ ส, สเสียงในขณะนี้จัดเป็นเครื่องกระทบใจชนิดหนึ่งตราบใดที่หูคุณยังเงี่ยฟังไปเรื่อยและรู้เห็นว่าเสียงนี้พูดอะไรกับคุณคุณจะเข้าใจคําว่าอะไรอย่างหนึ่งที่เป็นต่างหากจากใจนั้นได้ชัดขึ้นถาทราบว่าแม้แต่ระลอกความคิดหนึ่งหนึ่งก็ถือเป็นสิ่งกระทบใจ นี่คือความจริงความคิดเป็นตังหากจากใจถูกใจรู้ได้ว่าเมื่อใดสงบจากความคิดเมื่อใดเคลื่อนความคิดกระเพื่อมขึ้นมาฉะนั้นถึงแม้ว่าปลีกตัวออกมาจากที่ทำงานห่างหน้าจากคู่รักคู่แคนทั้งหลายมาห่างโขงแล้วก็อย่าเพิ่งนึกว่าจะไม่มีเครื่องกระทบใจให้เกิดปฏิกิริยาความคิดที่ติดตามคุณไปทุกหนทุกแห่งนั่นแหละ เข้ากระทบในทางดีร้ายกับใจของคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าดักสังเกตกันที่ปฏิกริยาอันเกิดจากความคิดกระทบใจได้ก็เท่ากับคุณได้ทำวิปัสสนาบ่อยที่สุดบทนี้จะขอให้คุณสังเกตเฉพาะปฏิกิริยาทางใจเด่นเด่นอันเกิดจากการที่ตาถูกรูปทรงสีสันเข้ากระทบหูถูกสาเสียงสมเนียงใดเข้ากระทบ สมูกถูกเป็่นอายเข้ากระทบลิ้นถูกรสชาติอาหารเครื่องดื่มเข้ากระทบกายถูกของกระด้างของอ่อนนุ่มเข้ากระทบและใจถูกความคิดหนักตบาเข้ากระทบคำว่าปฏิกิริยาทางใจเด่นๆนั้นย่อมยอ่อลงแล้วก็เหลือให้ระลึกเข้าใจง่ายๆคือชอบกับชังแค่นั้นเองขอให้สังเกตเถิดว่า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 กระแสะใจนี้เป็นฝ่ายเดียวกับราคะหรือความโลภอยากได้ส่วนความมีใจชังนั้นจะก่อกระแสผลักไสอยากขับไล่ให้คนหน้าเราไปกระแสะใจฝ่ายนี้เป็นฝ่ายเดียวกับโทสะหรือการคิดทำลายทั้งชอบทั้งชังนั้นเหมารวมได้เป็นก้อนเดียวคือความหลงใจคนเราถูกห่อหุ้มด้วยความหลงกันมาแต่เกิดโดยไม่รู้ตัว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 ก็จะนอนเครียดไม่หลับลงได้เป็นชั่วโมงเพราะแคนแน่นจุกอกแต่หากเอาเสียงหมาเห่าเป็นเครื่องเจริญสติตั้งมุมมองไว้ว่าสักแต่เพียงเสียงกระทบแก้วหูแต่ไม่กระทบตัวเราลองสังเกตดูใจจะพบว่าปฏิกิริยาโต้อตอบเป็นชิงชังนั้นลดลงยิ่งเวลาผ่านไปใจจะยิ่งเฉยมากขึ้นเรื่อยๆแม้เสียงหมาเห่าจะยังดังเท่าเดิมก็าตาม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 สุกเนื่องให้เกิดคำพูดหรือการกระทำตามอยากทันทีต่อเมื่อหัดใช้ลมหายใจเป็นตัววัดว่าอายุไขามากน้อยเพียงใดคุณก็จะเริ่มดูความชอบความชังเป็นและเมื่อดูเป็นจนชานาญคราวนี้คุณไม่ต้องอาศัยลมหายใจเข้ามาช่วยแล้วแต่สามารถดูความเกิดดับของความชอบความชังได้ตรงตรงทีเดียวสรุป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 หนังสือวิปัสสนาโนบาลเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าวิปัสสนาที่ดีนั้นเริ่มต้นต้องสร้างพื้นฐานอันมั่นคงให้กับสติเสียก่อนคือเอาสติไปผูกอยู่กับลมหายใจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับหลงไม่รู้อยู่ชั่วนาตาปีนี่เองจากนั้นชี้ให้เห็นว่าวิปัสสนาที่ได้ผลและทำให้เกิดกำลังใจเป็นอันดีนั้นควรแก้ปัญหาให้คุณได้เช่น ถ้าเป็นโรคเครียดคิดมากฟุ้งซ่านไม่หยุดก็จะสบายขึ้นคิดน้อยลงยุติความฟุ้งซ่านได้ตามปรารถนาไม่เห็นเหตุผลใดๆว่าจะต้องหวงความคิดไว้หรือกักขังให้ความคิดคงค้างอยู่ในหัวอย่างเปล่าประโยชน์ทาไมแล้วลงเอยยือชี้ให้เห็นว่าถ้าสามารถเห็นปฏิกิริยาทางใจทั้งปวงโดยความเป็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนน่ายึดมั่นถือมั่นสักอย่างความจริงอย่างที่สุดคือความว่างอย่างที่สุดเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นได้อย่างนี้นับว่าคุณเริ่มทำวิปัสสนาเด่นขั้นแล้วบางคนอาจคิดว่านังสือเล่ม น, นี้มีไว้ให้นักเรียนอนุบาลทางวิปัสสนา เพราะฉะนั้นไม่มีทางทำวิปั ส, สนาเต็มขั้นได้แต่ขอบอกว่าแท้จริงคุณจะเป็นนักเรียนอนุบาลวิปั ส, สนาหรือเป็นนักวิปั ส, สนาเต็มขั้นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอ่านหนังสือเล่ม น, นี้กี่รอบหรือจะต้องไขว่คว้าหาอ่านหนังสือเล่มอื่นสักกี่เล่มเกณฑ์ตัดสินอยู่ที่จิตของคุณเองว่าเห็นกายใจนี้ตามจริงหรือไม่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 เมื่อเกิดอัตตามานะถือเขาถือเราเทียบสักเทียบทั้นแรงแรงแล้วคุณรู้สึกรังเกียจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตัวเองเท่ากับที่คนตาดีเห็นเห็บหมัดสุนัขมากลุ้มรุมเกาะร่างของตนยุคยับข้อสเมื่อคุณเห็นข้อเสียของตัวเองเกิดขึ้นจากการคิดการพูดหรือการกระทําใดๆแล้วทราบชัดว่าจิตมีลักษณะเป็นอกุศลเช่นขุนเคือง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 ต่อเมื่อส่องอย่างใกล้ชิดด้วยวิปัสนาแล้วกลับเห็นว่าเหลือแต่ความกลัวหาได้มีผู้เคราะไรที่ตรงไหนไหม่ข้อเเมื่อตระหนักว่ายอดสุดแห่งข้อเสียคือความเหม่อลอยไร้สติข้อ8เมื่อรู้สึกว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นแค่ความทรงจำแล้วก็รู้สึกด้วยว่าความทรงจำเปรียบเสมือนแสงเทียน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 สิ่งนั้นน่าสนใจดูยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดในโลกรวมกันยออเต็มวิพัสนาขั้นสูงสขึ้นได้โดยปราศจากความยากลำบากด้วย